จะได้ประโยชน์มากเลยว่าโอ้นี่เราพลาดซะแล้วนะปล่อยใจให้ไปไปจมอยู่กับอารมณ์หรือปล่อยให้อา น, นิษฐารมณ์นี่มันมากระทบใจให้วันไหวสมัยที่ท่านอาจารย์พระมวังโสยังเป็นพระบวชหมายถ้าเป็นพระจะอังกฤษนะก็ความรู้สูงมากนะจบปริญญาตรีด้านทางด้านวิทยาศาสตร์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 เรียกว่าเป็นวันๆเลยแล้วไม่ใช่แค่วันเดียวนะสองหรือสามวันด้วยแดดก็ร้อนเหงือก็ส่งกายพอย้ายเสร็จผู้ช่วยเจ้าว่ามาบอกทาไมเห็นก็บอกว่ามันไม่ใช่ตรงนี้มันต้องย้ายไปตรงนั้นพระเลยก็ต้องพากันขนกันใหม่นึกว่าจะได้พักต้องพากันขนย้าย นเห็นย้ายดินกลับไปมาไปจุดหนึ่งเกือบจะเสร็จแล้วหลวงพ่อชากลับมานท่า น, นก็บอกว่าตรงนี้ไม่ถูกมันต้องย้ายกลับไปที่เดิมนะก็ต้องเสียเวลากันอีกเป็นวันวันนะที่จะขนย้ายนั่นปรมางส่วนนี้ไม่พอใจมากเนะี่ยไม่พอใจว่าไอ้แค่ทํางานก็หนักแล้วยังต้องมาเจอกับการเอ ความผิดพลาดในการประสานงานนะเจ้าวาดสั่งอย่างหนึ่งผู้ช่วยเจ้าวาดสั่งอย่างหนึ่งก็ไม่พอใจนะขนดินไปก็บนไปนะมาทําไมไม่ประสานงานกันให้ดีทําไมทํากันแบบนี้นะทั้งวัดวุ่นวายกันไปหมดนะเรื่องแค่นี้ยังไม่รู้จักพูดคุยกันให้รู้เรื่องแล้วเรื่องการศาสนานเรื่องใหญ่เรื่องโตจะทําไงว่าไปโน่เลยนะ ทำไปก็บ่นไปอยู่ข้างในก็มีเพื่อนพารูปหนึ่งท่านเห็ น, นเห็นสีหน้าเห็นอาการเนี่ยก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของท่านพรมหมวังโสก็เลยพูดท้วงขึ้นมาว่าเนี่ยปัญหาท่านเนี่ยคือคิดมากไปเท่านี้แหละนะท่านรู้ตัวเลยนะรู้ตัวแล้วว่าเนี่ยใจยนี่กําลังจมอยู่ในอารมณ์แล้วและรู้เลยว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยยิ่งทํายิ่งทุกข์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 จุดบนกลับมาเป็นปกติมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ทนได้ทําได้ไม่ได้จุ่งยากอะไรเลยท่านก็ได้บทเรียนนะท่านก็ได้เห็นใจของตัวเองเนี่ยจากอะไรนะก็จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากใจที่มันบนโวยวายตีโพยติพายบางทีคนเรานี่จะเห็นใจตัวเองได้ดีนี่ก็ตอนที่มันเกิดความทุกข์นะไอตอนที่เกิดอิทธารมณ์เจออารมณ์ที่น่าพอใจ จนกระทั่งเกิดความสุขความเครื่อบเพิ่มลงไหลเนี่ยไม่ทันหรอกนะแต่พอเกิดความทุกเน่าหรือเกิดแรงเสียดทานนี่มันได้เห็นใจของตัวเองและตรงนี้แหละนะคือภาวนาได้เกิดขึ้นแล้วนี่อย่างที่ได้บอกนะว่าให้การทํางานนี้นก็เป็นภาวนาได้หลวงพ่อชาตท่านเคยพลาดมาแล้วนะที่เคยเข้าใจว่าเนี่ยการภาวนาเรื่องนี่ต้องหมายถึงทําได้แค่การ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 ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมที่ผ่านมาเราอาจจะทำประโยชน์ส่วนตนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าการทำประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ก็เป็นส่วนของการภาวนาเหมือนกันทางพุทธศาสนาเรียกการทำอย่างนี้ว่าอัตจริยาหรือว่าวัยวัจจมไมวัยวัจจะไมคือบุญที่เกิดจากการทำเพื่อส่วนรวม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 อัตถะคือประโยชน์ตนซึ่งสำเร็จได้ด้วยการบำเพ็ญเพียรจนเกิดปัญญาหลุดพ้นจากความทุกขนะ์จากนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดกรุณาเพราะว่าความเห็นแก่ตัวไม่มีหลงเหลือแล้วดับไม่เหลือจิตใจก็แผ่กว้างก็ทำให้เกิดป ร, รัตถะคือการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเกิดกรุณาพระปัญญาคุณและกรุณาคุณของพระเจ้าก็แสดงออกมา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 อย่างน้อยแม้มันมีการต่อสู้ขัดขืนจากความเห็นแก่ตัวภายในไอการขัดกล่าวตรงนี้นะให้มันเบาบางเราก็ยิ่งเป็นการปฏิบัตินะที่มีอ น, นิสงฆ์มากเพราะช่วยทําให้ความเห็นแก่ตัวลดลงผลพลอยได้ยมีอีกเยอะนะความรู้จักกันในหมู่สงฆ์ความรู้จักกันในหมู่แม่ชีหรือนักปฏิปฏบัติในการทํางานนี้เราก็ไม่ได้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 ว่าเราจะมีเงินนะแต่เราก็ไม่ได้จ้างคนมาทำงานอย่างที่เราจะทำในวันนี้เพราะาจุดมุ่งหมายสำคัญมาไม่ได้ที่ผลสำลีภายนอกอย่างเดียวแต่เรามุ่งถึงการเปลี่ยนแปลงจิตใจก่อให้เกิดคุณภาพจิตที่เป็นกุศลในใจของผู้ทำด้วยนะมันก็เหมือนกับบริษัทหลายบริษัทนะ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 ตน้นมาที่ผลงานก็อาจจะไม่ดีเท่าจ้างชาวบ้านมาปลูกป่าแต่ว่าเขามุ่งความบุ้งสร้างคนด้วยนะไม่ได้มุ่งแต่ปลูกป่าอย่างเดียวมุ่งสร้างคนเพื่อให้มีสติิัญญาอาสาเพื่อมีความสมัคคีกกันนะก็เหมือนกับพ่อแม่นะแม้จะมีเงินนะแต่ว่า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 ทำความสะอาดห้องน้นะํำให้ลืมแบบนี้นี่ให้คนงานทําก็ได้โรงเรียนก็มีคนงานเยอะให้คนงานทําก็ได้แต่ทําไมต้องให้นักเรียนทำํำเลยแล้วก็นักเรียนที่เรียนเก่งด้วย <c oughs> ก็เพื่อฝึกฝนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจนะของเด็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านี่คือเหตุผลนะว่าทําไมถึงแม้วัดเราจะมีเงินนะ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 แต่ว่าความเรียบง่ายเป็นสิ่งที่ควรมีนะรวยแค่ไหนก็ควรจะอยู่แบบเรียบง่ายอาเศรษทีหลายคนในอเมริกาในในยุโรปนี่รวยมากเลยนะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยบางคนนี่บริจาคเงินไปแล้วสองแสนล้านบาทนะแต่ว่าใช้นาฬิกาเดือนละสี่ร้อยกว่าบาทสี่้อกระบาทนะก็ไม่กี่ดอลลาร์นั่งรถเมย์นั่งรถไฟ นั่งรถใต้ดินใช้บริการขนส่งสาธารณะไม่มีรถส่วนตัวคำถามคือทำไมเขาทำแบบนีนะ้ในเมื่อเขาก็สามารถที่จะซื้อโ o l ล็กซื้อ o เม g a ส, สวมใสนะ่โชว์คนอื่นได้ซื้อรถราคาแพงๆพอเขาเห็นคุณค่าของความสันโดษคุณค่าของความเรียบง่ายก็คิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วเอาเรื่องเงินที่เหลือไปทำอะไร เยอะๆป็นหมดก็ไปบริจาคเนี่ยบริจาคช่วยเหลือคนยากคนจนทํามาแล้วสองแสนล้านบาทนี่แล้วก็จะทําต่อไปัน้นความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายของเขาเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาจนไม่ใช่เพราะเขาไม่มีปัญญาซื้อแต่เพราะเขาเห็นคุณค่าของความเรียบง่ายแล้วก็เมือนกับหลายคนมีเงินซื้อมีรถเงินซื้อรถยนต์แต่ยังขี่ จ, จักรยานไปทํางานอันนี้เห็นได้เยอะเลยนะในในยุโรปนี่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 เมื่อใดก็ตามที่ทุกข์ใจน่นแสดงว่าความเห็นไม่ถูกต้องวางใจไม่ถูกแล้วมันเป็นสัญญาณฟ้องว่าทำความเห็นไม่ถูกต้องทำวางใจไม่ถูกต้องก็ต้องปรับให้มันถูกต้องซะด้วยการมีสติความรู้สึกตัวเอาละชานี้ก็พูด ก, กันทอนนี้อ๋อกราบพะ